ขึ้นใจถ้ามากก็มากออกไปจากไใจถ้าพูดยุ่งสิเพราะนึกขึ้นถ้าพูดมันก็ล่วงไปล่วงไปคือร่มพัดคอยส็ล่วงไปพัดแห้งก็ล่วงไปว่าย็ดใจให้กันนึกคิดยึดวัดมือล่วงไปล่วงไปครื่องพยับแดดเนี่ยยักเอาไปไไสเอาไปขายให้ขายกับว่าเอามันคงคุ้มคิดเนี่ยความตริกเป็นเครื่องสัญจรของโลกพระพุทธเจ้าถ้าจะลองรู้ตามเป็นจริงสัก เราคนที grammar, no ่สอละเมื่อแต่้นนี้ขเพื่อนมาใครว่าเราให้ผลผุนถ้าครไมสู่หาำะเลโดยเหนื่อยรูตัวชั้นใดคำสอนใดก็ไรลงสู่คำสอนวัฒนาสรรดนยรูปตัวชั้นนั้น่พูดอีกพรีอีกหนึ่งพระมอระสดโนพานะจบัตรเสื่อพระในผ่านปัญหาไม่มากพริบัติเพื่อปัจจัยสี่ปัญหาก็มากข้ามายกกรรมฐานอีกกายอันไหนดีพอาม ผสารักเลือดนี่โอ้นายดำนายแดงนายไหนดีนายนายนายนานไหนดีเราพด่านีนายดำชอผิดนายดำก็ผิดนายแดงชผิดนายแดก็ผิดขาเราาศาสนามาดยืนยันว่ามหาอานิรายที่สมยุติเป็นตาลวัของท่านท่านยืนยันแต่ว่าสุขก็จะเปนหูสุยายะสามีเ่านั้นไม่ได้ยืนยันว่านี้ตายนั้นนี่กายนี่เราพูดอย่างนี้เาคนในวัดปญหาเขาพูดตามเป็นจริงเขาขโมดปญหาจีิ เพื altung, ่อนยังห so well, ันโดนมาเลยนกปูจามเพื่อนมาพระโสดาบันสกทา้าม่อนาข้ามีอัันบุกนีได้เพื่อนว่าเพื่นเพื่นเสไปยั้ไงปูจามพระโสดาบันศาสนาไดก็ต้องเป็นพระละหันในศาสนานั้นจะไปเท่อวศาสนาอื่นไรเนองบุรุในบนสกนาข้ามีอยู่ตงแจ๊สันกัปูสันโตญี่ปุ่นโกนาคามโนกัสโปยะไม่มีอยู่ในชุดธรรมะอยู่พราะพที่จะห้องคนไป ไปทำเธอมาอยู่นี่นานขนาดไหนมาอยู่แต่ช่างพระเจ้ากระสับก็มีนีนวางนั่านะามี่งพิ่น้องู้จ่าว่าบ่บ่มีเนี่ยผู้จ่านู้้ที่เจ้าพระสวัสดาบาลองค์กก็ต้องไปหาองค์นั้นต้องส้าเร็กพระสระสัสดาบาลของพระโคตรมะก็ต้องเร็จแต่ก็พระโคตมะมาัึงเขาหรือว่าล่องวนนึ่ง เ, เขาไปเสียห้องแม่ของ เนี่ยเขาก็จะไปเก่ามันก็โคตรเก่าบางนชัางไร้งจับันตายไปทิมฟืน้นท่าไฟนั่นโดนของกูสูเพราะว่าคันโดนได้นันลูกดีๆกูกระเป๋ากูกูออกไยออกไรแก่แห้งชิ้หายอะไรนี่ทิมฟืน้นท่าไฟเพื่อเสียวโดนก้อนขึ้นมากมื่อไแล้วเช่ไหมจะไปซูเครัทธิหวานไปซูใช่ไหม รัฐบาลเขาจะเอาเองินรัดผลเลียนลูกกับไม่เท่าลุกนั่มได้กับมันเท่านายนั่มอันโตเนี่ยเงินขายผักขายเมเงินขายอ้อยเงินขายมันสาปะหลังเอาไปสูบเขาเ <c> ร <oughs> ีนหน่อยกะเสียหน่อยลลยังไรก็เสียไรนะลูกลูกหลานเท่าอยู่ทั้งอดออนยิ้หายหอดหาหอดหน้าเฮยเล่นเล็กยิ้หายหอดไห้มหอด ส้มชีพหายทั้งอื่นยมางัทรอชงสั้นเมื่อขึ้นลอยสั้นเมืองหมัอนอยู่ในเขตเขตจกรวาลนะหน้ามัยั่งถ้ากับไปเรื่เลขว้าวในวันนั้เอานี่ยไปจำนอกเอานี่ไปจำนอกไปท้ามันชีบหายมาถึล้วเป็นมอันนั้นเป็นน้อันนี้เราพิ่งมาบอกกงนะพอผลออกทั้อื่นพอท้าวักชพหายไปเป็นนํำไปข้าอุบเพราะว่ามเหรียก็เป็นน้ำเลขเนื้อทันห้องเป็นเลขแร่รับ เล่นโบกได้อยากกินเล้าได้อะไรนะครบคบมิดชั่วได้อะไรนะน้ำายง่าอ่ะเข้าไปจอกวงรูชั่วฮ้องจะตักมาจะ่ลมันยกมันมันขาดมาด่ะเพราะนว่าตะกูลนั้นมั่งข้างจะตั้งนานม่ได้เพราะสถานสี่ ไม่จะไม่แสวงหาพระสรุปที่หายแล้วไม่บบรณาณพระสรุปจะสา้ามข้าไม่รู้จักประมาณในกาลตัวในพวกสมบัติตั้งสตรีมูรุษทูสีนเป็นแม่เรือนพเรือนไอ้บูรุดทูศี น, น, อ, อ, น, อ, อ, นอ่นนะมันที่เอาเม้อในรมันจะกลั่ล้านมันกลัไปเฮ็ดชิฟไลหมดนะมันไปนค้นทูศีนอนลูก้านทุขกข่าบักนึ่งสรุผ่าชิฟร้าเงล่ะ กูเปลีละเรีนเทเล็กทน้อยอ่ะหนึ strikes, <co ach> pues like ่หายหน้าก็มุดงานก็มุดงานก็มุดหหน้ามันเยอเลยเขเทศบาลเนือัญแพงนี่พอเอ้ให้เคยยุหันเขตเทศวันขนทางอ่อมเมืองอ่อมอยู่กับของแพงทำให้เอาไว้ได้แล้วจะขาดที่ไรนั่นเนี่ยบักไงบักไงเอาไว้ย่างย่างขั้นได้ยี่สเกตตล้าน งวดเราของเขาแบ่งกันคนละสองคนในคนอาหารทิวลาดคันคิดเป็นเนืออ้อคันคิดเป็นเนื้อเนินว่าแบบนายเสียไปข้าวห่านย่งงยู่เข้าหานแบบน้อยเสียไปบัตร อ, อรออรถเท่าไ่อดรองย่างแค่สองแหวนสองสีจ้ามันคักร้ายแบบนีย งูตัวมันนั่งอาออกได้งูตัวนะออยังไงวันนี like. ka ้วันนี้เขายักไว้แล้วนี่เขายักไว้โปโปไว้แล้วนี่นี่กับญี่ปุ่นกัรกนี้วันเถอะแต่ดาบมันเน่าเขานี่ดาบมันเน่าเขานี่โป้ทก่รำมีนเขายักมันนี่โปแล้ว เกกกะกำนี้ไกับเล่ากับนำกันนี้อันน่ะนี่มันดาบเนี่ยแหละกจะโคกเลยวันเนี่ยอีปุ่นกำผาดวันเนี่ยบักตุ่หิน้าขล่าตุดหิกดด้วกันะโดดกัถ้ากัดซากระบาดนะมือเก๊กขาดมือไถ่ขาดแต่อันหวานไม่ได้ายนะมืออีปุ่นเลย ที่ดินยูซืเอร์นี่ผู้ผู้สุดไทยยีย่หญี่ปุ่นคนนี้เนี่เข้าใจบ่สิยี่ญี่ปุ่นเนี่ยเก็กกัเป็นเซ่ยหายญี่ปุ่นกับมาซื้ออันนี้โยมาโยมาสิยี่หร่าญี่ปุ่นเนี่ญี่ปุ่นทำมันได้ซื้อแล้ว่ไปใกล้บ้านมันกับอะไรอันนมันต้อหายไปใก ล, อนนกออกลอ้อันแล้มันเฮ็ดยังไนบูกระเบิดบุกยังงยังบุนแ่มาแล้ที่ดินนี่มันจะไปตกยี่หรญี่ปุ่นคนนี้ฮา่ะ ผู้หวังผลทุกข์นะว่าทางสารไปยังสิ่อ่านมาออกของซ้ำหน่หขขงของนอกๆฟอก์เวร์ลาันเมืองวัดอรอดคนมัานนอกขว่เคีดหน้ามัดอรอถเดินมีดสองเลี้ยงฟังดิ่นเขาบอกเชรอกอันเขาอัอุปมาว่าสูงมี่ว่าเป็นช้านะเสียาอยู่ไกลเมืองหรอกเชิเทศบาลในสูนี้สา มันผสมทาราให้กูผีอยู่เาก็เลยมาจ่าหนีสั่นหอกเขาเสือกันาดเขาซูบมีอเนี่ยกินนะจะเไปนานีู่มาปัสเธอให้กูกูก็จะให้กินอยู่ดอกมืงรลชเีนันน้องขามสนุนมึงเขาวางสั่นหรอกเข้าใจบ่ห้นี่ยมูดะไรอยู่ใกเทศบาลในแถวว่างหันมันหนีขามีน้ามห้ยมันไปตือนเงินล้านเสมอเงินล้านมึงมาสางกุฏิซ้ำนี่กับิุ่ิวด้ซ้าเหยมึดเนี่ ย่างอาขอไปตลาดกลับึ้นมากขย่างมายังมันมาคืนงานร้านตะกี้เลยเจ้าอีทานนะสนว่ามบอกยุทามันอันนี้ของสของเจ๊น่ของสาของเจ๊ของแล้ว่เี่จ๊่สายหี่บ่มีคุณสายุด่นร้คุณอยู่อ่ะ แต่ม่อต่างคนหัวย่างเราเราไปใช้อย่างนี้เราคือคือบอกทรงมาในโค้ชโขโค้ชนานเนยล้วไปใช้รตายหรือวะตมม้วนกันเลยนะ น, นี่ก็ออยู่อ อ, อมมเขาใส่ขวดมาาดีดีของประเทศอื่นนะท<ม>่านากันสื่อดีเขาใสขวดใช้ภาจาติกอัไ น, นมาไหมท่าน บะหังของไถ่ของเหล้าห่อๆมาจองผม่อยากซื้อเพราะฉะั้นเขาบอกเอาใส่ขี่มาเลยภาษาลาวะขาสอนพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์ชลบาพ่มสมบาทแค่ผ่านสมบัทเดี่วเต็มพุ่มเลยเท่ากันนั่งไปเลือกเป็นกบเลือกง่ายจะหาคาสอนเนี่ย่านกบเลือกง่ายเคยอ่านตอนนี้ชาติจบแน่นอน นนหนี่ครบฟุ้งหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงใหญ่ะนะไม่ชื่ อ, อไหรอยู่เขาพน้าหน้าฟุ้งคล้องป้องกันตัวทเวลามัทิมไหม้พอันไงองไฟเสียงดังสะท้านนะถ้าไม่กบสวนฟุงพวกผู้นั้นยาตตื่นตกวไก่ก็กล้าวตัวนึงวายหน้าว่ามองมาเห็นขอหน่อยก็ดีใจขึ้นน้อยขอนี่มาขืนน้อยพรในวันบัด ทันยุไปเยอะมากเพระว่าขอเนี่ยผมมีประโยชน์นี่ยังนสั่าแต่เม่อจะไม่สร้างไม่ ส, มสอนนี่ยังได้สั่งแล้วไปลองขอแก้เที่ยวดาอีกเที่ยวดาเห็นความโง่เขากับเอานกกระสาลงมาเนี้นกกระสานกเขียนจะ ก, กบฝู ง, งนั่นชินเมื่อได้โตสองตัวผมมัดกบฝู ง, ง น, นั่นสมมติอันนี้คือก่ะ แล้วท so so ี่ซื้อรัฐที่ใดศาสนาใดค่ะเนี่ยบุตรรัฐที่เขากูบุ่รศาสนากูศาสนาเล็กูเที่ยวดาด้วย่ะกรบูมันไปกินม็ดเห็นบอพระพุทธเจ้าหามว่าสอนหามว่าเรื่อนเลเรียนพรเรียนรียนบือนะอ๋อันหาะพรสัสดาวันวัชรายอยากเป็นเลขวัชรายอยากล่วงอบายมุกอันนมุกก็เรกอันนีวกันนะแต่วัชรายอยาก ถือโ ย, ยงคงกับพันธมัสเซดาอยากถือศาสตร์าาอื่นมัสียดาอยากรวงละเมิดสินหาดั่นพระทวดาวันคำารสอนพุทธศาสตร์นะมันเป็นข้บมสอนตัดไฟต้นรม่มตัดร่มต้นไฟตัวอ๋อขอาคเจ้มีสินหาเหมื่อเ น, นี่นะแ่ไตโลกธาตเนี่ยเว้นไว้ถ้พวกบ า, บายเสือจริตพิษมนุษย์มาจะอายุเจ็ดปีของจังเดียงสาไปแล้ว มีชส้หาบ้อง้ทหารกับปมอี่ตำรวจกับป้องตอกเกี้ยวสงครามกับต้องนี่อาวุธ ก, กับต้องนี่ขายของกับป้อต้องเปล่าอ๋อคดีดาคดีดแดงในโรงไรสารกับป้นี่ออกดไม้ตระรัดตังไว้เทไรกับป้องตังร้ายซึันนี้ตั้งขึ้นจกักรพรรดิามาตาป้องนี่ชี้หาเมั่กับเท่ากัานแล้มันสิยูเนี่ยทำไปโรคกระบาดคุ้มควางโรคสองอย่างความละอายต่อบ า, ากกลัวต่อบาเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้พระพุทธเจ้าสอน พระพุทธเจ้าอมได้ก็มาพรอยทังสอสินทาเนี่ยเองจะคุ้มครองลงได้พระพุทธเจ้าถ้าลงแล้วเมื่อสองข้อนี่ยครับมันกับสินหามันกับอายุคือแบบลงแล้วเมื่้อมะอายตาบาบข้มบ่จะอายตอบับบ่กวาตวบาบบกเอียงเขีมมตั้งอยู่ตั้งหอกแท้คนทำไม่อย่างอายตาบาบไม่กวาตวบาบับมน <c oughs> ันตั้งตั้งอยู่เลยอันไตต๊ะไเตียงกูซกมึงซกงกู กะเป๋าหลังกระเาเาู่ยกระเอยงพ่ออบ่าบบ่กลัวตาบ่ก็คือกนอยาก้าบบ่กลัวตาบ่ก็้คงกไ่ได้คือกรนะแลเห็นตะแกกระเปาะเามึงหันมีพระอยู่ดัพะสามนแม่บอกเออ วันนนดิ้งดิงดิงดิงดิ้งดิงดิงดิงดิ้งอาไปใช้เข่าลงกระลุมเ่ไม่ดิงอันเดียวมดทั้งสองฮเขาาไปลงกระลุมเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าเป็นท่ามาที่ปไตยได้เางระลุมเป็นดิ้งว่าท่าทปไตยบ่อาจใช้ท่ามาธิปไตยเป็นแวนมุมมากลากไป ไปเป็นช่วประชุมเมืโตจะไปบะอันนี้มันเป็นศูนย์ยตาสมาธิอันนี้ไม่ตาสมาธิอะไรนี่เหตตาสมาธิแล้วสมาธิมันว่างมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะอันนี้จังไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอนัตตาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้ามีใครเป็นเจ้าของแล้วก็อยาให้ก็จงบังคับแผ่นเป็นของเที่ยงเป็นจุกเป็นอัตตาสิเขาก็ไปทั้งรักเขาไปเห็นฟองก็ลงให้ใจของเขามาบวันเนี้ย หาย้ายใจเข่าครั้งนึงจะเห็นโลกรอบนึงแหละนี่ช่างกรอบขืนเกิดข้นแล้วแปรปวนแล้วแตกสลายหัยใจออกรอบนึงก็เหมือนกันก็เป็นช่างตัวศีลสมาธิปัญญาควบคุมก่อนอยู่ในหันวดคําสอนจากพระธรรมบัตรของต่อพระนิพพานหมดนโมพระโสดาวันนโมสัจจ า, าคามีนโมพระอน า, าคามีนโมพระลาหนีนโมพระสาวตอดาวันเป็นนโมใช่อมั่นหวงทางเป็นนโมเบื้องต้นเป็นโลกุตระไรนโม ตัก่อนนั่งมาเป็นนโมเล็กนโมผ้านโมวัดนโมเบอร์นโมมิฉาทิฏฐิแต่ว่าน้อมน้อมนโมแปลวน้อมนอมแต่ว่าน้อมน้อมเป็นมิฉาทิฐิน้อมน้อมเล็กน้อมน้อมผ้าน้อมวัดนเบอร์นอนให้ฝันให้เล็กเห็นผาเห็นบัเห็นบอร์พวกนี้มิจาทิฏฐิพระผู้ศรัทธาในในกินไปยินดีในอบายยมุกทุกประเทศสู้เขารักษาศีลห้าไม่ได้อบายยมุกมันเป็นมรก็ทิบะ มันก็เป็นสอนยี่ปัดมันก็เป็นชมนี่ปัดมันก็เป็นนินพานยี่ปัดอยู่ในตัวแล้วเหตุฉนั้นจึงว่าวิปัจฉนาธุระธุระทางปัญญาไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุ ร, ปญญ ร, ปญญระปัญญาธุระวิปัจฉนาธุระเขาจะบอกปัญญาธุระเพราะปัญญาเป็นเครื่องปกครองศีลและสมาธิทำใจละหมวดละหมวดมีปัญญาเพียงวันทำใจละหมด วัดที่วัดเื่อผนทุกข์แล้วัดท้าช่องศารปัญหาบลาบอมากเมียก็เห็นกันยอกมันเห็นในไตรมธาเต็มไปด้วยขวบอมันว่าเชียงหลมก็มดเดืองเห็นสัตว์ฟองก็ร้ห้ใจเขาออกเห็นสัตว์กับคณะจิตที่นึกคิดกันพวมาอย่งฉกันนึกคืนแล้วก็ว่าอกล่วงไปล่วงไปล่งไปล่งไปเขาเป็นอันนี้จังเนี่ตัวเนียเพียวหูเพียว่ามันหายใจออกจะออกเป็นอันนี้สังเมื่อกี้ใกล้สะตายก็บงว่านแม่บใกล้สะตายก็บังส่องแม่บอกอเนียมีตาความสุดโทม มันเกิดมันรับเรี้ยวไรจิตจิตกับเป็นพืชทั้งขันได้เกิดขึ้นในอดีตทังขันอันดับในอดีตสังขันได้เกิดขึ้นในอนาคตสังขันอันดับในอนาคตสังขันได้เกิดขึ้นในปัจจุบันสังขันอันดับไปในในปัจจุบันท่ามไฟสังขานก็เกิดรับอยู่ว่มีสารเว้นขึ้นท่ามไฟในผ่านก็มาเกิดว่ารับอยู่ว่มีสารเว้นขึ้นท่ามไฟมาก็เป็นของจริงอู่ว่ามีการเว้นขึ้นพิจารณาทุกเป็นอารมณ์ สมุทัยก็บรรเทาไปเอความทะเยอทะยานมักไกปเจริญไปเองนิโรธก็ทําให้แจ้งไปเองบมุมญาสิจเจริญทุกจเจริญสมุทัย เ, ย เ, น, กกเ น, น, น, นี่ยเจริญมักไปเจริญนิโรธอะไรมนบุญญาสิจอะไพิจาราทุกเป็นอารมณ์เห็นทุกทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันชัดเลยเพราะอารมณห้ใจเขาหอมสมุทยัทยความทะเยอทะยานให้จะใ ห, ให้คนทะเยอทะยานเรียกว่าตัณหา ก็เบาลงคนทยาธิาในโรคสางพวงก็เบาลงมักก็จเจริญไปในตัวนี้โรกก็ทำให้แจ้งไปในตัวนักนักหนไหนข้้ขงพุธการจรึงไม่มีป ร, ราชีพีนครัที่ 43, 2, เจ็ดที่สา ม, 4, ม น, 2, นิยตสนิสีปฏทีสสามสี่ปฏิทีองสี่ปทีสองปฏิเสธิสีเชีวะเจสบห้าอิกรณะมรมีเกิดไมจึงม่มีมันมีอยู่ในตัวแล้วอัจฉริโกมัคโคเถรยะที่หลังสมาดิสิ สามาท่าก็โป้ในธรรมจักรกพระวัตนสูต ร, ร, รมันมีทั้งไตรชี้ขาครบแล้วบันใวันญัดต้องเป็นชีขาวทัดสื่อพวกมเ่เฮ็ดพิดเป็นวัดวัดฝันจะมอมวันยัดไหมนอกไ้ไลายา<อ>ามันก็ลายขับสอนพระเจ้าเพราะมันลายออกไปจากใจด้แสดงว่าสมัยก่อ น, นคุณระบาปดีกว่าสมัยี ขันว่าดีโยสั่พระเทวทัพแผ่นเบียดเบียนเพื่อนมันเพียง <c oughs> ดับก้นขันว่าตัวสั่งผู้ใดทำอะไรพระขันก็ม่ดีโยอุคติตันยู่บุคคนผู้รู้ธรรมเมื่อท่านลลคอบึนแสดงวิปติจิจันยูพออธิบายว่าในยะพอแนะนําได้ประธรรมปรมะมีบทเป็นอย่างนี้ดอกบัวสี่เหล่าไม่มีในขั้งพุทธการขั้งนี้ก็มีเหมือนกัน ดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ําก็เสมอน้ําเต็มภูมิดอกใต้น้ามก็ใต้หน้าเต็มภูมิดอกบัวแต่ละกอเหมือนคนแต่ละอกดอกบัวแต่ละกอแต่ละกอก็มีดอกใต้หน้ามดอกเสมอน้ําดอกตูมพอพ้นหน้าดอกพ้นหน้าจะบานในวันพรุ่งนี้ดอกจะบานในวันต่อ โอ้ดอกบอกจะบานในวันต่อๆบ่อ ด, อดอกจะบานในวันนี้มันจะมีโยกโุกสมยัยละอย่ใต่หํามรานโยกไต่หนามพระธรรมะไม่รลายนะไต่นามพร ะ, ะประมะ <c oughs> ก็ฝากไว้ก็พระพุทธเจ้าองนามเรยไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้ามากกว่ารอยโกด้อันนี้พระสัตะโกะตรโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกด้ะฝากไว้ก็พระพุทธเจ้า แต่กลับกับยังงานสงไข่สงไ่กลับแล้วจะวมมาแล้วจะไปทางนาของมอนกันสงงานสงไข่กลับแต่และกลับแล้วกลับกับมีพระทีดด่เจาะหาพระองค์บ้างสาพระองค์บ้างชื่อพระองค์บ้างอันนี้พัฒน์กับของเฮาไม่หาพองค์ <c oughs> ถึงยังนันมาลื้อนซัไปเลยเชิญรษ ท, ท, ทอเขาขวานเขวานเหลือนังเปนขนงอราพระเจ้าองนาไปเลยแต่ว่าทอเขางอคนองอสัจะนับตังมือนตังแสนคน ไ, ไ, ไ, ได้หลายหลายกดอยู่ เถียตะระเทือนประเทศราวดินก็ได้้ายโกรธด้วยเถียน้มโนโรธก็ได้้ายโกรธาล่เสียดด้วยถึงวังในนั้นไก่ังเขียบจะเขาห่วงทรัพทั้งร้ายโก บ, บินไปน้ำมูนีผู้เกิดในคันในไข่ในเข้าในไข่แล้วเกิดพุทขึ้นโยนีสีมันจะไปพนันธ์พางเมือน่ะหางวัจักวัดกับไก่เชี่ย ว, วรอันถึงวัสวรคันนัมัจัไม่เชี่ยวอผู้ปรารถนาพุทธภูมิมสิได้รับรัถะ พยากรแล้วสักพันต้องคอยียมีเขู้ปัชนะพระปเจดก็คือไง mm. มอ ง, งมูตัวในเรื่อนมันบอกฟังง่ายเราโตนักธรําโตกันักธรรเอกเออมูอมอตัวในเรื่อนแหะมันฟังงายเนักธรเอกก็คือเอกกันที่บาพรอนาย้าพูดเป็นเจกันห้หบาก็วิเอานายใวายายใ จ, ใ จ, ใจ พระสูตรก็สูตรของกายวายาจใจพปรมาตถ์ก็มัดเข้าที่กายวายาจใจน้อมเข้ามาโอวพระนางจิปู่างเห็นชัดว่าเป็นที่กันเนี่บาปว่าเป็นทุกข์กันเนบาปพระสูตรก็สูตรของกายทับใจพระวินัยก็วินัยกายทับใจพปรมัตถ์ก็มัดเข้าที่กายทับใจว่าเป็นเตี้ยการเนี่บาปที่พระสูตรก็สูตรของใจ พระเวไนก็เว ไ, ไนยของใจพระประมามัดก็มัดเข้าที่ใจนี่ปัญหาสอนเข้ามาว่าอาบัตไม่เกิดทางใจเดี๋ยวถ้าพิทูผู้ตายแล้วไม่ได้ทําอาบัตให้ร่วงเนอพรตายไปแล้ววิญญาณไม่อยู่ในที่นั่นแต่ว่าอาบัตไม่เกิดทางใจหน้าเดียวเราก็ไม่สนิทพระพิสูที่ตายแล้วต้องอาบัตไหมไม่ได้ต้อง ก็มีหัวใจอยู่มันจึงต้องอาบัตต้องได้อาบัตทุกอย่างต้องได้ไม่ละอายต้องรด้ว่าถึงนี้จะเป็นอาบัตต้องสงสัยแล้วคนพืดธรรมลงต้องสําคัญว่าควรในของที่ควรไม่ต้องสําคัญว่าไม่ควรในของทีค่ควรต้องสําคัญต้องได้ลืมสตินะนะถ้าคนไม่มีใจก็ร่วงอาบัติไม่เป็นคือคือจน์ตายแล้วร่วงอาบัตไม่ได้จะล่วงได้แต่ไม่มีชีวิตอยู่นั่นการปงอาบัตินีปวงตัว ว่าในต๊ะเพื่อรับขาวมูลคือชนบากกับไปยุคพ่อบาปชันบนกับไปยุคพ่อบุนเพื่อรับข่ามูลแต่ถ้าถ้รวมระว่างต่อไปเด้อครับวาระสั่งจะต้องได้รับข่าวมูลท่านหรอกแต่ม็นประจุประจุอาวัชได้รับผลกรรมน่อนได้รับผลกรรมของกานพุทจากกิียดังทธผลจากเลากลียดไปก็เป็นอาวุ่กรรมอาวุธตี่กรรมกรรมให้ผลกรรมเร็จแล้ว หุวู่ครับนี่หน้นานางสมาธิแล้วความผิดแตกเข้าไปนี้เข้าสีอะไร้ได้ขนาดที่นาเพราะว่านา่าจะว่ามีความผิดแตกความผิดแตกสอนใครกับปู่ศาศ <c oughs> ติป้องกันกิเลส ถ้ามีวการอมาสติควมรมเลืกได้สัมปชัญญะความเป็นของรูตัวทาเป็นสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาสติเป็นความเลืกได้สติป้องกันความอยาความอยากกะได้ก็เพราะปัญญาปัญญายะบริสุทธิธ์สติลุกคลจะบริสุทธิก์กเพราะปัญญาแสงสว่างเสมอโดยปัญญาเห็นอณิจจังขณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วไม่สงสัยที้นี่ถ้าเรายืนยันว่าซิง่งโมนี่เป็นของเทียงเป็นซุก เป็นอนัตตา ย, ยาู่มันกระลำบากเลปฏิบัติกันเท่าไม่ไม่เป็นปัฒนาทรบยุทธ์ยู่มันก็บว่ลรลบากอ๋อะจะผูกปัญหาเขาอีกเพอให้เข้าใจครับปัญหาถ้าคำอีกในสมัยสองพานสี 8, ่รอยแปสิบแป หรือเจ็ดสิบห้าพุทธเจริญพุทโธพุธโทนั้นเป็นสมถะหรือปััชนาเราถ้าตอบให้ตรงกับสามหลวงก็ตอบว่าตอบว่าเป็นสมถะเพราะเหตุว่าพุทธเจริญพุทโธพุธโทนั้นสามารถถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่สามารถจะถึงอัปปนาสมาธิ ตอบแบบนั้นถูกเขาให้คะแนนให้ผมตอบเสมอผมพอตอบสั้นนิดกว่าเพราะ่ว่าปฏิบัติผู้เยนผู้โทรผู้ทอนั้นจะว่าสมถะหรือพัฒนาอันนั้นก็ยืนยันยังไงแล้มันต้องขึ้นอยู่กับเพรศกตาปุญญตาผู้ที่สร้างสมอบรมบารามีมาแต่ชาติก่อนยกพระธาหอนเช่นผู้ผู้ภาวนาผู้โทรผูทอนเขาเห็นคำวบริกรรมของเขาเกิดดับอยู่เขาก็รู้ชัดในเวลาที่วิกรรมนั้น แต่คุณของพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เกิดไม่ดับไปไหนเป็นอนัตตาคุณที่ไม่เกิดไม่ดับอันไม่มีประมาณอี ก, กอด้วยถ้าเขาเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสรรมะควบกันไปกับพัฒนาะไม่ใช่ฌานจิตว่าคยิ่งยกข้าฮอร์นอีกผู้บริกรรมและโชว์แหนังละชงังพลาสติอย่างนี้มันก็น่าเป็นบริกรรมทำไมจึงแต่ฌานเอาไปสำไม่ตาสีแล้วจิตวิาคยิ่ง พงเลียงก็คือเขาบอกว่าผมมีเรียตบโมปฏิบัติเข้ามาแยงที่กรรมฐานแจกได้หลายและอย่างส่งต่อพระญาคานหมดหมาหมดการมานแตกและอย่างแลอย่างมาในคำภีไหนมาในคมภีมโนผู้ฟังบาปก็มาในคมภีมโนผู้ฟังบุญก็มาในคำภีมโนผู้ฟังที่อ้านทีคาวักทีคาวักก็คือพูดยาวจุนละวักก็คือพูดสั้นเราจะวาง มหาวิเขาลัพูดเป็นหลายวัดหลายตอนเอาจีว่างทีมาในคำพรีมันโอ้พวกพังทั้งนั้นแหละเอาจีว่างทีทีข่ขั้นใจะหายมทยาวัยอันนี้เขาว่วอ่างเข้เาเข้าทอ่างวันนีน้มีปัญหาสอดเข้ามาอีกว่าชูข้ายปัจจุบและลึกชาติผลหลังได้หรือไม่ตาม พระมารีหรือตามความนิยมของสาวพุทธก็บอกว่าสุคายวพัตะโกและลึกชาติทนหลังไม่ได้ท่านเรียนหนังสือมาถึงขนาดนี้แล้วท่านจะตอบยังไงบ้างก็ต้องขอตอบว่าสุคายุพัตโกจะยืนยันว่าท่านและลึกชาติทนหลังไม่ได้โดยหน้าเดียวก็ไม่ถูกอีกถ้าอย่างนั้นท่านก็อแจะสงสัยในชาติาว่าส ทีนี้ถ้าเราหากว่าเราไปถามท่านท่านระลึกชาติทอนหลังได้หรือไม่ถ้าหากว่าท่านตอบมาธรรมชาติเป็นทุกข์เท่านั้นแหละผมไม่ต้องสงสัยอยากจะคนนอกผมเห็นชัดแล้วถ้าท่านตอบอย่างนั้นจะว่าท่านตอบผิดหรือหลงทีว่างสิครับนั่นนั่นเพราะนั่นเพราะเห็นอย่างแห่งแรกเห็นวดยปรัชนาปัญญาอันชัดเพราะเจริญมีปรัชนาสามส่วนคำฐานส่วนเดียว ัุขภัยปัจจุบโ ร, ระเพียงเยสมัยสัปปะโตเดิะสามส่วนนี่ปรัจจานาส่วนเดียว น, นี้เราจะว่าท่านตอบผิดมันก็ไม่ถูกเอ้าสุขวัยัจโุนะเป็นนไม่ทรายไดหรือไม่ก็ไม่ว่าแต่สุขาจะปัจโกบแล้ว ตัวผมเป็นพุทธชนคนหนามีกิเลสจะเป็นข้าแผ่นดินอยู่อย่านี้ผมก็นับได้เข้าติดต่อของสิ่งนี้นับหินเมตไทรเนเท่ามหาสมุทรผมจะนับเป็นสายฝ่ายสังเกห์โหะสังเกห์โหะผมไม่นับเพราะไม่สงเคราะห์นับเมตหิแเมตไทรเท่ามหาสมุทรสิ่งไหนที่เป็นของแข็งสิ่งนั้นผมจะย่นลงมาเป็นเอกภพเทวีธาตุสิ่งไห้นจะเป็นของเหลว ผมจะย่นลงมาเป็นเอกะอปโธธาตคือหนึ่งน้ำหนึ่งดินสิ่งไหนที่อบอุ่นและร้อนผมจะย่นลงมาเป็นเอกะเตะโชธาตสิ่งไหนที่พัดไปมาผมจะย่นลงมาเป็นเอกาวาโยธาหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมผมจะนับอย่างนี้ถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามจนถึงอสงไขยผู้นับก็เป็นผีบ้าผู้ไปเป็นกรรมการก็เพียงผีบ้า ถ้าอย่างนั้นสังฆหัวอาสัโหัมีไว้ทำไมเาี่วางที่พระ่างแยจากจิของหว่อเห็นหน้าเดียวแม่บกปฏิบัติอะปฏิบัติมันเห็นนี้นี่ทำต่ละบวระบาทสงต่อพระญ่านหมดเอาที่วางี่ยกพทะธาหอนเขาทาเยะทากติยะพระจาทุนพระบรมศาลา ขอให้องสมเด็จพระบรมศาสราต้องเคสข้าพระองค์บ้างเออเวลานี้เราวินทบาทอยู่ไม่ควรเออก็บางทีพระบรมศาสราที่ลมฟานเดี๋ยวนี้บางทีก็ออก็จะจัชีุกกันพระเทศรษฐีกั น, นผมก็เลยมาหลวงพ่อเกษรมันจันม์นมาฉัน บ้าน อ, นนอันงีอเพื่ออัศมาต่มก็อยากมากลับหลวงปกูกนเลยนคนรถชวนเ น, นมันก็เลยมากมราบหลวงปูกัน เ, <c oughs> เป็นโรคลายอย่างเจ๊าแปดโรค